แนะนำบทกอฟบทนี้เป็นบทมักกียามี45องค์การที่พูดถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับหลักการศรัทธาในอิสลามในขอบเขตจำกัดที่สําคัญสําคัญเช่นความประเดชภาพสารการฟื้นคืนชีพบทนี้ได้เริ่มด้วยปัญหาหลักที่พวกปฏิเสธชาวกุริสได้ปฏิเสธบทนี้ได้กล่าวเตือนชาวกุริสที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพให้หันมาพิจารณาถึงเดชะนุภาพอันยิ่งใหญ่ของอลัลลอฮ์ ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นภาพลักษ์ได้จากหมู่จักรวาลที่อยู่ต่อหน้าเราเช่นท้องฟ้าทัานดินน้ำพืชผักผลไม้ทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานยืนยันอันชัดแจ้งถึงเบชาวูภาพอันสูงส่งและยิ่งใหญ่ของพระองค์บทนี้ได้เปลี่ยนไปสนทนาถึงเรื่องราวของพวกปฏิเสธศรัทธาของประชาชาต่ตางๆในอดีตและสิ่งที่ได้ประสบกับพวกเขามาแล้วเป็นต้นว่าความหายนะ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 ซึ่งพวกบูชาเจเว็ตได้กรดิเสธในเรื่องนี้ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอขอสาบานด้วยอัลกุรอานอันทรงเกียรติด ال แต่ว่าพวกเขาประหลาดใจที่มีผู้ตักเตือนคนหนึ่งจากหมู่พวกเขาได้มายังพวกเขาดังนั้นพวกปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่านี่มันเป็นเรื่องประหลาดจริงๆ เอลาันอามื่อเราตายและกลายเป็นดินไปแล้วจะกลับมีชีวิตอีกครนั้นหนึ่งนั่นเป็นการกลับพิกลรเหลือเกินแน่นอนเรารู้ดีว่ากี่มากน้อยแล้วที่แผ่นดิน ทำให้พวกเขามีจำนวนลดน้อยลงและหน้าที่เรานั้นมีบันทึกถูกเก็บรักษาไว้บแต่ถ้าว่าพวกเขาปฏิเสธความจริงต่างหากเมื่อมันได้มีมาอย่างพวกเขาดังนั้นพวกเขาจึงอยู่ในสภาพที่สับสน أ ف ل َ ي َ ل ر و ا إ ل ى ا ل س م ا ء ف و ق ه م ك ي ف ب ن ي ن ه ا ك ي ف ب ن ي ن ه ا و ز ي ن ه ا و م ا ل ه ا م ن ف ر و ج พวกเขาไม่ได้มองไปยังฟ้าฟวาเหนือพวกเขาดอกหรือว่าเราได้สร้างมันและประดับมันไว้อย่างไรและมันไม่มีรอยร้าวหรือช่องโหว่ล و ا ل ع ะ م جدناها وألقينا فيها رواسي وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيد ในแผ่ น, ด, น, น, น ด, ดินนั้นเราได้แผ่ให้มันกว้างออกไปและในแผ่นดินนั้นเราได้ปกักภูเขาไว้อย่างมั่นคงและในแผ่นดินนั้นเราได้พืชสชาติทุกชกนิดงอกเนยออกมา เป็นููอยย่่าางสวเพื่อเป็นที่สังเกตและเป็นข้อเตือนให้ระลึกแกบ่บาวทุกคนที่สำนึกผิด และเราได้น้ำฝนหลังลงมาจากฟาบฟ้าเป็นความจำเริญแก่มนุษย์และเราได้งอกเงยออกมาด้วยน้ำฝนนั้นเป็นสวนอันหลากหลายและเป็นมเมล็ดพืชสำหรับเก็บเกี่ยวและต้นอินทผ ล, ลามที่สูงตระงาน ลำต้นของมันมีพวงย้อยลงมามีผลซ้อนกันเป็นตัน ي ي บมมเพื่อเป็นปัจจัยยางที่แก่กวงเบาและด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้ดินแดนที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้นมาใหม่เช่นนั้นแหละ การฟืืนนกลุ่มชนของนัวได้ปฏิเสธมาก่อนหน้าพวกเขาแล้วและชาวรอสกลุ่มชนของนบีชูวัยและสมุดและอาดและฟิรอา และพี่น้องของลูดและชาวป่าทึกและกลุ่มชนของทุ บ, บะ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 ผู้เฝ้าติดตามผู้เตรียมพร้อมที่จะบันทึกและการมึนงงแห่งความตายได้ปรากฏขึ้นอย่างประจักษ์แจ้งและนั่นคือสิ่งที่เจ้าจะหลีกเลี่ยงจากมันไปไม่ได้และสังจะถูกเป่าขึ้น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 ที่่าวาจนนเจ้าทั้งสองจงโยนทุกคนที่ปฏิเสธศรัทธาและดื้อรั้นลงในนรกยา น, น า, นาผู้ขัดขวางการทำดีผู้ฝาฝืนผู้สงสัย ا ล ذ ي جعل مع الله إلها من آخر فألقاه في ا ل ดาบ ا ل ش ดีดซึ่งเป็นผู้ตั้งพระเจ้าอื่นคู่เคียงกับอัลลอฮดังนั้นเจ้าจงโยนเขาสู่การลงโทษอันดุมแรงถอดตัาข้รูะามทร้าพาไับบุญแต่ขาคเนกาอยู่ใาลห่างไ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 من من พระดำรัสของข้าจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงและข้าไม่ได้เป็นผู้อายุตีธรรมต่อปวงเบาเลยวันที่เราจะกล่าวแก่นรกยานนำว่าเจ้าเต็มแล้วหรือ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 ผู้ใดเกรงกลัวพระผู้ทรงตรูนาโดยทางลับและมหาพรง์ด้วยจิตใจที่สำนึกผิดกลับเนื้อกลับตั ว, วพวกเจ้าจงเข้าไปในสวนสวรรค์ด้วยความสันติ นั่นคือวันแห่งการทำนักอยู่ตลอดกาลสำหรับพวกเขาจะได้รับสิ่งที่พวกเขาพึงประสงค์ในสวนสวรรค์และหน้าที่เรานั้นยังมีอีกมากมาย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 พวกเขามีทางมีรอดหรือถ้าจริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นข้อตักเตือนแก่ผู้มีหัวใจหรือรับฟังโดยที่เขามีความตั้งใจจริงลสะิอรวาััาสา และความจริงเราได้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองในเวลาหกวันและไม่มีความเหน็ดเหนื่อยใดมาสัมผัสเราดังนั้นเจ้าจงอดทนต่อสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธกล่าวถึงและจงแท้สองด้วยการสรรเสริญ พระพู้อภิบาลของเจ้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นและก่อนดวงอาทิตย์ตกและระหว่างกลางคืนก็จงสดุดีพรงด้วยและหลังเวลาสุยุแต่เจ้าจงฟังวันที่ผู้เรียกร้องจะร้องเรียกจากสถานที่อันกล้า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 เ ذ ك ر بالقرآن ่งรรูดยถึงสิ่งที่พวกเขากล่าวและเจ้านั้นไม่ได้มีอำนาจเหนือพวกเขาดังนั้นเจ้าจงตักเตือนด้วยอันกุรานนี้แก่ผู้กลัวต่อสัญญาณการลงโทษของข้าเถอ